ธรรมะกาโมพรวังโหติธรรมะเทสีปราพระโวธรรมโมสั ก, กจังโสตโพติเอาโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านก็จะได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามไปด้วย จะได้ช่วยเพิ่มสติเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลบุญญาลาศีเสริมสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่เราพึงปรารถนาคณเราเกิดมาก็มีอยู่สองอย่างที่เราอยากจะได้ หนึ่งขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าประสบความสําเร็จทุกอย่างในสิ่งที่ข้าพเจ้าตั้งใจสองให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพพระลานไม่แข็งแรงทั้งกายทั้งใจไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเปลียนอารมคยาปนมาราพาการไม่มีโรคพิลลาบอันประเสริฐอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่คนเราพึงปรารถนาอยู่โรคที่มันโรคทั้งกายโรคทั้งทางใจโรคทั้งทา ง, งกายนีนบางทีก็อาจจะนานทีปีครัง้งบางท่านบางท่านก็จะเป็นบ่อยๆแต่าโรคทางใจไม่มีใครจะไม่เป็นเป็นกันทุกวัน แทบจะว่าทุกชั่วโมงก็ได้ทุกนาทีก็ได้โรคทางใจเนะี่ยโรคเกิดขึ้นจากความรักความรักเนี่ยเป็นโรคเนีย่ยมีรักที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นไม่รักก็่าชั่งนี่ชั่งอยู่ในตระกูลโทสะรักกว่าทุกชั่งกว่าทุก ถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยเวลาจะไหว้พระยังไม่จบเลยหาไม่รู้กี่ครั้งแล้วอยากนอนแต่คุยกันเรื่องอื่นไม่อยากนอนถ้าเราจะทําดีไม่อยากนอนถ้าเดี๋ย ว, ว่าทินมิถะพบงามใจถ้าไม่เป็นเช่นนี้ก็ฟุ้งเนี่ยอย่างเป็นหนี้เขาละนี่นั่งอยู่ที่ไหนก็คิดกลางคืนก็ฝันกลางวันก็คิดอันนี้โลกทางใจ บางทีก็โรคจังเลใจไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่ชีวิตนี่อ่งบางทียังตัดสินใจไม่ได้นะว่าล้วเกิดมาแล้วจะทำยังไงกับชีวิตของเราเดียวนี่เกิดมาโตพอกินข้าวเท่าพอกิดหลายปีคนโบราณว่างั้นนะแต่ก็ไม่มีความดีอะไรที่จะประดับจิตประดับใจของพวกเราฉะนั้นสถานที่ตรงนี้อยม อาตมามาเห็นบรรยากาศแล้วว่าญาติโยมทุกท่านเป็นผู้ไฝ่ในบุญในการฝึกในภาวนานะภาวนาหม่บุญสเสียทุกการภาวนาสังเกตดูได้หลายท่านจะเป็นเช่นนั้นส่วนมากทุกท่านเลยล่ะรู้สึกว่าเป็นผู้ไฝ่ในการจเจริญสมาธิจเจริญวิปัสสนาคือปัญญา นี่ถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีบุญดีเลยเป็นผู้มีบุญมากๆเลยที่มีบุญเพราะว่าท่านมีชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทบางคนขยันเนี่ยหลวงพ่อได้ทราบข่าวจากอุบาสกท่านเคยไปปฏิบัติอยู่ที่คลองหกท่านปฏิบัติได้ดีมากเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้สวดมนจะนอนไม่หลับ อาจจะถือนนว่าธรรมะซึมเช่เาเข้าไป็นอย่างเมื่อใจแล้วคนเราเมื่อไม่ทิ้งธรรมะอยู่ที่ไหนก็มีธรรมะเตือนใจคือมีสตินะยมีสติคือผู้รู้เตือนใจเราอยู่ตลอดเวลาอ่าบางท่านก็อาจจะเห็นลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกอยังงถ้าท่านเห็นลมหายใจเข้าออกทุกลมหายใจเข้าออกนะก็แสดงว่า ท่านกำลังดูจิตดูใจท่านอยู่สังเกตดูถ้าหากว่าเราจะรู้สึกนึกคิดเรื่องอะไรกันแล้วแต่ถ้ากลับมาดูลมหายใจเข้าออกแล้วท่านจะเห็นว่ามันจะหยุดทันทีเลยสาเหตุที่มันหยุดเพราะว่าเราเห็นจิตตัวเองคนเราเมื่อเห็นจิตตัวเองความคิดมันก็นดับสังเกตดูอย่างนี้นะถ้าท่านดูลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ ท่านหลายจะเห็นบ่าเออมันไม่ได้คิดเรื่องอื่นเนะเห็นแต่ลมนะถ้าท่านกำหนดลมหรือพุโทโธนะ่ะจิตของท่านอยู่กับลมนะกับพุโทโธแต่ถ้าเมื่ อ, อไรท่านทิ้งลมไม่เห็นลมเลยเลยไปคิดเรื่องอื่นอนะ่ะหอนใจมันนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจมันหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วเนะี่ยท่านก็ไม่เห็นลมหายใจท่านไม่เห็นจิตตัวเองเมื่อไม่เห็นจิตตัวเองก็เลยวุ่นวาย พอจิตมันออกนอ ก, กายมันก็จิตมันก็วุ่นวายถ้าจิตอยู่ในใจในกายของเราจิตมันก็ไม่วุ่นวายอันนี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบตัวเองเลยฮนะถ้าใครคิดมากก็แสดงว่าเออเราไม่เอาจิตเอาใจไว้ในกายเราเลยเนี่ยปล่อยไปเพลิดเพลินจเจริญใจอยู่กับที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนโยมสองท่านท่านมาถวายท่านาว่าท่านจะไปกินเลี้ยงท่าน อ๋อไปแบกช้างเลยนะแต่เศ้าหน่อยอ่าไปกินเลี้ยงกันในเลี้ยงทําไมบีเบียมันก็ไม่ได้น้อเบียช้างเนอ่ยเยี่ยวเสือมันเป็นเรื่องธรรมดาสังคมนี่ยเราไปกินเยี่ยวเสือกันอไปแบกช้างกันก็ไม่ว่ากไงล็อกไม่เป็นไรสังคมใครอยากไปทางไหนก็ไป ใครอยากไปทางงูก็ไปใครอยากไปทางหนูก็ไปเลือกทางไปได้อ่าแต่ลงทางกลับได้นะลงใจกลับยากนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าพากันหลงใจตัวเองถ้าหลงใจตัวเองมันกลับยากลงทางพอกลับได้แต่ลงใจมันกลับยากเราต้องหาวิธีเอาชนะใจของเราไม่ได้ฝืนอารมณ์ขมนิวอนถ้าใครรู้จักฝืนอารมณ์ขมหนิวอนตัวเองนะใช้ได้ อาที่หลงพ่อบอกว่าโรคทางใจที่พูดไปเมื่อกี้นะ่ะแต่นี่วรณธรรมนี่วรณธรรมพระพุทธเจ้ า, าเป็นโรคทางใจโรคเกิดขึ้นจากความรักมันเป็นกา ร, รมัจหาฐานขะึ้นอยมนะความรักอยู่ที่ไหนมันก็ความทุกข์อยู่ที่นั่นไม่ใช่นางโกกีลานะโกกีลารัก อ, อนนทเนี่รักพระอานน์ เถียงกันอยู่ประตูค้าวะเชตวันจะมาน้องเยงที่นี่เขตของพระเขตของสงฆ์เข้ามาไม่ได้ อ, อุบายชื่อจ้าพ อ, อฉันรักท่านเนี่ยไม่ได้รักไม่ได้พอพระเจ้าองค์สงต์ตรัสไว้ว่าความรักอยู่ที่ใดก็มั <c oughs> นทุกเกิดเกิดที่นั่นถ้าก็ฉันรักแล้วมันมีความสุขเนี่ยนะเถียงนะตัณหาไม่เถียงกับกับธรรมะนะ พะอนนก็ไม่ได้พุทธองค์ทรงตัดวา่ารักเกิดที่ไหนทุกเกิดที่นั่นก็ฉันเนี่ยก็อยอมรักท่านเนี่ยเสียงกันอยู่ไม่ยอมหยุดที่นางโกกีลาเขไม่ยอมรัดมากพระพุทธเจ้าจึงได้เรียกเขาไปอ น, นุนเขาพูดกับใครอยู่นะนะั่นน่ะันี้เรียกพระอ น, นไปนางโกกีลาก็ตามไปยตามมา โค ก, กีฬาน้องหญิงพระพุทธเจ้าเรียกน้องนะน้องหญิงนะเธอชอบผ้านดนหรือชอบพร ะ, นนระพุทธเจ้าค่ะชอบตรงไหน่ะชอบตรงตาตามีอะไรจึงชอบตรงนั้ น, ต, ต, า ต, า ต, น, นตาดำตาคมส่วนดำกดําดำสนิทขาวกว่าขาวเหมือนกับสังขัดแล้วตางาม โอหกีฬาเอ้ยนออย้องหญิงในตานั่นนะ่ะมันไม่แต่ขี้ตาน้ำตาเห็นไหมกลางคืนน้ำตาออกมาด้านเข้ามาันกลาแห้งเป็นขี้ตาถ้าพะนนท์จอดตามาให้เอาเดี๋ยวนี้เอาไหมล่ะไม่เอาอ้าวทําไมเห็นว่าตางงามตรงมันไม่เอาล่ะถ้างั้นชอบตรงไห น, นชอบตมหูอะหูเป็นไรโอ้หูยานหูยาวหูใหญ่ หูลึกคนมีปัญญานะ่ะในหูก็มีแต่ขี้หูมีแต่น้ำสุกกรปรกไหลออกมากลายมาเป็นขี้หูใครเคยเอานิ้วก้อยแค่ดูขี้หูมาดมมั้งยังไม่จาจะเห็นเลยเนาะเหมือนก็เลยอยู่กับกองของเหม็นจะแทนะที่มาเนฮะียยอมมันมีขนด้วย ชอบที่ไหนอีกถ้าพระนรนตะท้วงมาให้เอาไม่ได้ไม่เอาชอบจมูกถ้ามันยังชอบจมูกจมูกโดงจมูกหนาพรอคนจมูกน้ําจะรวยเนะี่ยพอชอบจมูกเนะี่ยคนกําลังรักเนาะพระเจ้าก็แสดงถึงความสกปรกหมดเลยจะขอบวชอ่ามาจากอยู่ไกล้หรืออยากอยู่ใกล้ พอพร ะ, พะอนุ น, นจะไปสอนนางภิกษุณีทุกตอนบ่ายภาคบ่ายบอกก็บอกให้ไปรับอนุญาตจากเจ้านายก่อนให้เป็นลูกจ้างเขาเขาไปบอกเจ้านายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ย่งเีมาอยากให้ดา่าเขาหรอกไม่เป็นไรเจ้านายบอกก็ไม่ดา่านี่ยบุญคนจะได้บวชแลยคุณโยมเห็นไม้มไม่มีอะไรกั้นได้เลยคุณโยม เจ้านายกับ น, นุโมทนาด้วยก็เลยมาบวชบวชแล้วเวลาพระอนุนไปเทศให้ฟังตอนบ่ายมันไม่ได้ฟังเทศนะที่ไปดูหน้าพระอ น, นุนพระคุณพลักเนาะจ้องอยู่หน้าแพระอนุนนน่ะแล้วทีนี่สุดท้ายก็เลยมันคุ้มใจมากจะเข้าภาษาดูไม่ได้หรอกถ้าอยู่นี่ละใจเราจะแตกอกแตกแล้วไง มันห้ามใจไม่อยู่ไม่ได้ห้ามมันด้วยสิรู้ทุกอย่างแหละรู้ว่ามันทุกแต่ฉันอดไม่ได้นั่นะทุกอย่างฉันรู้หมดแต่ฉันอดไม่ได้สุดท้ายก็เลยลานางพิสุนีลาพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่เมืองพลานสีตอนบวชจูบวเมืองสาวัตถีจากมณสาวัตถี ไปหาเมืองพราณาศีวก็ระยะทางนา่ะสีห้าชั่วโมงนะไกลอยู่เหมือนกันแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไปถึงหลกถมนดีขึ้นออกพรรษาก็รู้อยู่นะรู้ว่าจะไปปวดนางโกกีลานพระพุทธเจ้าก็รู้เขาก็ออกข่าวข่าวประชาชนบอกต่อๆกันว่าพระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จมาเมืองพราณาศี โอกราเนี่ยโอ้ยถ้าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนพระอนุ น, น, น ต, ต้องมาแน่มาค่ายกันเมืองค่ายกันเมืองคือจะไปก็รู้สึกละอายใจอยู่ตอนนี้ก็เลย ท, ทําท่าไข่เป็นไข่นะ่ะค้างอยู่กันนกอะไรเนี่ยพิลาบนะานนเนี่ยออเออเอออยู่งนั้นอ่ะทางภิกษุณีอยู่ใกล้ๆกันว่าเออโอกิราภิกษุณีเป็นอะไรเนอะว่า ฉันป่วยนี่แหละเขาบอกใครกันเมืองคนฉันจะตายกะไปบอกพระอนุลมาให้เห็นหน้าสักครั้งหนึ่งตายไปก็ไม่ไปไหนแล้วท่านได้รับตาส น, นิทที่จริงเนี่ยเขาเรียกใขรกันเมืองหาอุบายกันางนี่ก็เลยไปทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยอนุญาตเพราะรูกว่านางจะได้เป็นพระหลัง น, นะอนุญาตให้พระอานุ์ไปพระอานนก็เทศเรื่องอสุภกรรมฐานเทศให้นึกถึงความตายด้วย ตัวกีฬาก็เลยเป็นพระละหันก่อนพระอนุนทุกมาปัญญาจึงเกิดเนาะทุกไม่มาปัญญาไม่เกิดคุณผู้ทุกเพราะความรักเห็นทุกโทษโถดเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยตามพระนุนเทศก็เลยเป็นพระละหันออันนี้เป็นตัวอย่างป่เอยเราไม่ต้องไปเสียใจเวลาความทุกข์อะไรเกิดขึ้นมาคุณผูม ให้มองเห็นความทุกข์ตัวนั้นนะ่ะมันเปรียบเหมือนอาจารย์ใหญ่ของพวกเราพวกเรามีอาจารย์ใหญ่อยู่หกคนนะคุณโยมหกองค์อยู่ในตัวเร า, 1, า 2, หนึ่งตาสองหูสามจมูกสี่ลิ่นห้ากายหกใจนี่อาจารย์ใหญ่พวกเรานะสอนพวกเรายู่ตลอดเวลาถ้าหลวงพ่อนี่ไม่จะมาเทศน์ตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งจะโผล่มา นะองค์อื่นก็นเมือกัน่าจะได้เจอก็หลายวันบางทีแหละได้เรือนอย่างว่าแต่อาจารย์ใหญ่ที่สอนเราอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาเลยก็คือตาหูจมูกลิ้นกาใจเใจนะี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้มองทุกอย่างไรเขาแล้วก็ไรเราไรความเกิดแก่เจ็บตายทำอะไรคือไม่มีเขา แล้วก็ไม่มีเราไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีแก่ไม่มีตายถ้าคิดได้ใครคิดได้อย่างนี้คนนั้นจะหายโรคทางใจโรคห้าประการที่เกิดในใจของเราทุกนาทีนี่พระพุทธเจ้าว่าถ้าใครมียาขนาด น, นี้มารักษาแล้วคนนั้นจะไม่มีโรคทางใจหายเลยเหมือนโยมเป็นอะไรนะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นบาดเป็นไดเป็นไข้เป็นหนาวนี่ เพื่อเป็นต่างๆนาน า, นาประกาศให้ยมนึกถึงอ น, นิจจังทุกครั้งนะาจา๊ะเป็นอารมณ์เลยโรคภัยไข้เจ็บมันจะหายไปเลยเป็นอยู่เหมือนมันมาเยี่ยมเราแปบ๊บเดียวมันก็ไปละถ้าใครไม่ได้พิจักรนาเจนนี่แต่โอ้ยเป็นหนะ้าน่ยอย่งกับเป็นสิกที่เนี้ยนี่เดียวกับคางโยกนกไอพิลาบเ อ, อือ อ, อย่างนั้นนะอันนี้หายช้าอยู่หายช้ามากถ้าเราว่าเราเจ็บเราไข้เร า, าป่วย ทารา ว, ว่าเอ้ยอ น, นิจจังทุกครั้งเป็นอ น, นิจจังทุกครังหน้าตากายเราจะให้ใจของเราป่วยนี่หายไปลองดูสิลองดูสิแต่โลกไม่เกณฑ น, นี่ถ้าเคยเป็นลองคิดอย่างนี้บ่อยๆไม่ใช่เราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรอนัตกายเขานิดนิดน้ดนอยๆไม่มีอะไรแล้วหายเลยเนี่ยเรื่องแปลกเนี่เรื่องอัศจรรย์คุณยอมรับแต่พระพุทธเจ้าเอาแบบหนัก เอาแบบแบบสุดๆเลยนะคุณผู้ชมไม่มีเราแล้วก็ไม่มีเขาไม่มีเกิดไม่มแก่ไม่มีเจ็บไม่ตายเพราะเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เราแล้วจกให้เป็นรูปเป็นนามไปเลยทีนี้มาก็เลยไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยเออที่มันจะเป็นก็หายไปอลองลองเอาไปทําดูเราเอาไปใช้ดูนะ่ดีที่สุดเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น เราฟังทามันได้สองอย่างธรรมโอสถก็ได้รักษาโลกกายรักษาโลกใจถ้าใครมีกรรมอะไรมองลงไปตรงหัวใจนะโยมนะถ้าใครรู้สึกว่าเออมันคิดแต่เรื่องนี้บ่อยๆลองส่องลงไปหัวใจของเราหลับตาแนะเหมือนชำเรื่องลงไปหัวใจเราปกติหัวใจของเราจะสูบฉีดเลือดโยม มันจะมีอาการบุบผูกวุ บ, บถ้าเรมองไปเช่นั้นเนีลยมันไม่ใช่บูบตรงนั้นทีเดียวนะเด็มันจะกระจายทั่วตัวเลยกระจายทั่วตัวขึ้นมาทางศรีรษะทั่วไปทั้งทั่วตัวของเรานะั่นเองแล้วยอมจะเห็นว่าถ้ากําหนดนั้นบ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อ, อาการนี่มันเกิดขึ้นเกิดมาจากอะไรมากรรมจากกรรมอะไรมันจะบอกเรามันจะเป็นภาพขึ้นมาเลย พอเป็นภาพขึ้นมาที่นี่โยมก็โอตัวนี้เหรอแผ่เมตตาเขาซะข อ, อยุติกันชาตินี่นะไม่มีอีกละข อ, อยุติกันไม่มีเราเป็นไม่มีเขาเป็นแล้วที่นี้เนี่ยพุทธลูปใบที่จะทําให้ชีวิตของเรามีกําไรทุกเวลาเนี่ยคุณโมมีเยอะแยะเหมือนความคิดดีๆเนี่ยมีเยอะแยะทําทไมเราไม่คิดกันเนี่ยชอบไปคิดในเรื่องว่ามันทุกข์มันทุกใจทุกข์ใจไม่พอใจไง ไม่พอใจกับว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแต่หลงชอบมันคิดมันทั้งวันเนี่ยแต่เรื่องดีๆไม่ค่อยิดนะทีนี้สังเกต ด, กดูทีพอาะกิเลสนําพาเท้าทำใจของเราไปเรื่อยๆอันนี้คือคอยสังเกตตัวเองก็แล้วกันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างข้ารู้หมดเนยยกแย่ยกยกเว้นตัวข้าคนเรื่องคนอื่นรู้หมดนะแต่เรื่องตัวเองไม่ค่อยรู้ แต่เรื่องคนอื่นเนี่ยโหซอกแซกรูมัดถ้าเขาพูดเบาๆก็เอียงหูเข้าไปละอยากฟูงอยากได้ยินมาสังเกตตัวนี้นะกิเลสมันพาเราไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับกิเลสหนานทุกวันทุกวันแล้วก็เหมือนอยู่เหมืนถูกอยู่ในหม้อ น, น้ําร้อนนี่ยมันก็ต้มเราคุณผู้ชมมันก็ต้มเราอยู่น้ําร้อนมันต้องร้อนน่ะเฮ้มันก็กวนก็ว่ายก็ซับก็ซ้ายก็เสียก็สนดินนนไม่รู้มันจะไปเอาอะไร แต่มันก็เป็นคนเก่าอยู่นั่นแหละแต่โอ้ความคิดในสารพัดจากะอะนั้นมีข้อคิดอยู่เรื่องหนึ่งโยมมันคิดให้เรารู้ความคิดแต่อย่าไปคิดตามันนี่ดีมากมลองใช้ดูนะให้รู้ความคิดแต่อย่าไปคิดตามันรู้แล้วหยุดรู้แล้วหยุดรู้แล้วปล่อยวางจิตก็นํากับวา ถ้ารู้แล้วหยุดธรรมะก็เกิดคือมันหลุดจากความคิดออกมาเราไม่ตกเป็นทาสของความคิดมีโยมท่านหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยอพูดเรื่องปัจจุบันเนี่ยพ่อท่านมีบ้านให้เขาเช่าแต่คนมาเช่าบ้านผูกข้อตายไม่ใช่บ้านตัวเองด้วยว่าผูกข้อตายที่บ้านย้อน คือหลวงพ่อก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าคุณพ่อเราจะเห็นวิญญาณมันมันอาจจะยึดก็ได้ไม่ลงทางไปเนะี่ยเพราะคนมันจะลงทางไปเดีโยวเกิดมาชาติใดนะอายุขนาดนี้เขาต้องฆ่าตัวเองตายห้าร้อยชาติจากนี้ไปตกนรกอีกห้าร้อ500ชาติเป็นสัตว์ดิบชั้นอยู่ห้าร้อยชาติาตโอ้เป็นหลายอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไปว่าเขาจะไม่เกิดเป็นมนุษย์อีก บาปนะฆ่าตัวเองอย่าไปคิดฆ่าตัวเองนะถ้าจะคิดฆ่าฆ่ากิเลสตัณหาฆ่าแล้วไม่บาปฆ่ากิเลสตัณหาในใจเราไม่บาปแต่ไปฆ่าตัวเองบาปนะอย่าคิดทำนะแม่พ่อแม่เลี้ยงข้าวมาไม่รู้กี่กระสอบแล้วจะฆ่าตัวเองตายทำไมมาฆ่ากิเลสตัณหาน่วที่มันทำให้เราทุกข์เรากลับมาฆ่าตัวเองมันจึงบาปไงเพราะกายของเราค็มีประโยชน์ต่อเราอยู่ โยมไป็นรายสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณโยมเนี่ยลบก็บาปนี่ถ้าเป็นพระกระตุกนั้นลบแต่ไปคิดว่าค่าตัวเองตายแล้วพระจะไปนิพพานไม่มีทางพระวินัยพุทธเจ้ามันหยัดไว้หมดเลยเรื่องนีแม้แต่ญาติโยมกับมันกันแต่ที่นี้หลวงพ่อเกิดเนะนําว่าที่เคยทํามาได้ผลถ้ารู้สึกว่าวิญญาณเขาเส่งสิทธิจุด ท, ที่นั่นโยมโยมนั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็เดินอยู่ก็ได้ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงพ่อพระอินทาทิราชผู้เป็นจอมเทพทั้งหลายให้มานำดวงวิญญาณที่สิงสติอยู่นาทีนี้ขึ้นไปสู่สวรรค์เทพโลกที่เดียวเลยครัเพราะพ่อพระอินทร์ท่านมีทิพ น, นิษฐคือมีตาทิพสอดสองรู้หมดทุกอย่างวิญญาณตัว น, นั้นสเสด็จ ม, มันมีบุญละแสดงมันจะเป็นชาติสุดท้ายมันถ้าเราทาได้นะ ทำไม่ทำมันก็ต่อไปอีกขา้งมาันนะถ้าไปเจอคนมีบุญใจบุญเรียกพ่อพระ อ, อินมาแต่อย่าไปเรียกโยมมระทูนะโยมพระบาลอย่าไปเรียกเขาจะเอาไปลงนรกอีกคนไปลงลงนลกรกแล้วมันมาเกิดจากนั่นอย่าไปเรียกโยมพระบาลให้เรียกพ่ออินทาทิราชได้ผลนะโยมพ่อไปขี้ขั้วโยม ห้องนั้นมันมีใครนอนหน่อยอินเดียแดงน่มันไม่ร่วงอะไรตายแล้วมันว่าเฝ้าพันวัาที่ของมันนะขนาดพักนอนมันลากขาเลยโยมเรื่องจริงนะเนี่ยจนเอาห้องนั้นเป็นห้องเก็บของแล้วก็ลองน้องพ่อน้องพ่อไปถึงดึกดกด้วยลองน้องพ่อไปนอนที่นั่นเนี่ยปีนั้นมันลบเจ็ดสิบสามมงสารถเก๋งเอาไปจอดไว้เนี่ย พวกนี้มามาเห็นรถนะสโนโวมันถมหมดเรื่องจริงแท้หนิไม่ใช่ว่าเล่นนะบ้านคนนี้มองไม่เห็นบ้านต้นไม้มองไม่เห็นมีแต่หิมะนะแต่มันตกลงมาเขาเรียกสโนสโวสนโวทางเขาเรียกนิยมเลือกกันเต็มไปหมดเลยหย่อมเมืม่อเรานอนอยูน่น้นน้ำแข็งแต่มันต้องมีฮีเตอร์ถ้าไม่มีก็อ๋อตายไม่ถึงสามสิบนาทีหรอก มันยิงกุญนจตัวเย็นนะ่ะอาศัยฮิตเตอร์เท่านั้นแหละฮิตเตอร์ก็ลำบากนะฮิตเตอร์ก็ต้องเอาน้ำใส่ขันมาวางไว้คือมีเครื่องพ่นไอ้น้ำออกมาถ้า่างนั้นก็ไฟโลหติตเลือดไฟโลหติลหตในจมูกแตกเพื่อดเลือดอไหลมาพระบางองค์นี่เบอร์หมอนนี่ไม่เจอเลือดคือมันแห้งนะแต่ต้องพอเป็นนิดหน่อยพอไม่เป็นมากเป็นนิดหน่อยเรื่องอย่างนี้ ต้องเอาน้ำใส่คันมาตั้งไว้สองสามคันนั่นนะน่ะมันมีไอ้น้ำ้างมันแห้งอาการแห้งถ้าใครไปเท้าด้านนี้โยมไปทางน้นอ่ะไปถึงเจ็ดวันแรอกมันเป็นขุยออกหมดเพราะการแห้งอ่าทีนี้ก็เอามาพูดถึงเรื่องว่าอินเดียแดงผัวเมียตายแล้วมันยึดจุดที่นั่นมันทวงที่มัน เจหลงพ่อไปสองสามวันพักกัน แ, แ, แ, แล้วทำทุกวันเนี่ยว่ามีอะไรหลวงพ่อก็เห็นมีอะไรเี่ยเพราะเราแพ่ไม่ตานี่แต่มันเอาวันสุดท้ายเนี่ยมันไปตูเก็บทั้งบาททั้งอะไรอยู่เต็มเลยนะทั้งกระเป๋าเดินทางนะมันออกมาจากตรงนั้นน่ะเดินลงมาเลยเป็นรูปเนี่ยรูปอินเดียแดงมันเดินลงมาทั้งผัวทั้งเมีย ในใจเราคิดว่าเออผู้หญิงอย่าเข้ามาในห้องพระพระจะเป็นอาบาัติกลางืนมันก็ไปอยู่ข้างนอกนงคือถ้ามันเห็นอย่างนั้นยมไม่ได้พูดปากนะมันเป็นภาษาใจเราแล้ ว, ลวยมนั่งสมาธิเหมือนกันแต่เห็นรูปนะีะยยมไม่ได้อ้าปากแต่ภาษาใจเขาพูดกันเหมือนหลวงปู่ดุลกับหลวงปู่ไอ้ขาวพูดกัน น, ะนั่งอยู่ชั่วโมงนั่งดูกันเฉยๆไนงะแต่ท่านคุยท่านทั้งจิตไง แต่เป็นชั่วโมงลากรับลูกศิษย์ไปด้วยอ้าวลุงปู่ลุงปู่ไม่เห็นคุยกันไม่คุยยังไงคุยเป็นชั่วโมงเลยลากรับเพ น, ะนี่ถ้ายอมนั่งได้ถึงอุปจระสมาธิถ้ามีภาพอะไรก็เขึ้นยอมจะพูดได้ทางจิตจิตเขาจะพูดนเองด้วยไม่จ้องอาปากให้เมื่อยปากเลยอันนี้พอเราคิดยังไงเขารู้เขาคิดยังไงมันกระทบจิตเรารู้ต่างคนจางมีกระจกเงานะแสดงปฏิยาอาการยังไงก็เห็นกันนะที แต่ผัวที่มันเดินเขามา ใ, ใกล้ๆหลวงพอ่อโอ้โหโตัวบลมอ้วนลมไม่ใส่เสื้อแล้วเดินมาเรงมามันแบบยิ้มยออเยอเยเราเขียวมันเปตังสูงตั้ข้อมือนะู้นน่ะวเขาเขียนใช้เขี้ยวยักษนะ์นั่นแหละยิ้มแดงแดงยังกะกินหมากมาคือว่ามันจะงับหัวเราเลยเอาเลยนะ นั้ฉันเสียสละมานานแล้วแต่ใจเธองับฉันไม่ได้นะไอเรื่องกายเธอจะทำไงเฉยเลยมันก็เดินยิ้มยังแยงเดินข้างข้างข้าข้างอมาเพราะฉนั้นเจหลวงพ่อว่าเราไม่ต้องหันหลังตามมันอยู่ไม่ต้องหันมุนตามมันตาตรงบนตา ต, ตาในามันจะมุนตามเองเแล้วนักงยื้อเฉยเนี้ยมันก็มุนตามไปตามไปพอถึงข้างหลังขนาดหลวงพ่อกับแพรไม่ตาเนาะตัวก็กระเด็นขึ้นไปอยู่นะ อยู่เพดานอย่างเงี้ยเหมือนกขาโฆษณาไชาวมะถีเฮ้ยถีบแขกตัวหนึ่งนะสมัยน่ะโฆษณาความแข็งแกร่ง ข, งของของของกระเบื้องบ้านเราเนี่ยประทินก็บอกว่าอ๋ออย่างเงี้ยันหล่นลงมาน้าแผ่แม่จาอย่างเหมือนจะปดปลดไอแม่แรงปลดลงปลดปลงปลดลงก็ขยับขยับขยับลงมาแล้วก็ไปหรอก หลพ่อกับแพรอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่พอไปครั้งที่สองที่สามไม่ ม, ไมีไปแล้วเนี่ยโยมทึงได้คุยกับคุณโยมท่านหนึ่งที่อภาพาชีบรนไปถวายเมื่อกี้นี้บอกว่าให้คุณพ่อหรือโยมก็ได้ไปแพรไม่ตายรขาซะนะคุณโยมในบ้านในเรือนของเราเหมือนกันนะ่ะเจ้าที่เจ้าทางแต่เ่อนมันคนไม่รู้จกทําบุญเหมือนเดี๋ยวนี้จิตมันทึ่งเกาะพอจิตเกาะที่ไหนก็อยู่ที่นั่น เขาจึงเรียกว่าเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่อันนี้นอกเรื่องมาหน่อยคุณโยมที น, นี้มาพูดถึงเรื่องบ้างใจของเราฝึกแล้วมันจะเป็นของอัศจรรย์มากอ่าจะเป็นของอัศจรรย์มากคนอื่นเขาไม่เห็นแต่ตาในมันเห็นไปตาที่สามอย่างขับรถขับรางไปต้องระวังนายลมไะบางทีมันจิตมันแบกขึ้นมาหรืออัตโนมัติมันนะเหมือนเราไม่ได้ทําอะไรนะมันชอบเป็น มันจะเห็นภาพอะไรวิ่งตัดหน้ารถเรานะ่ะเห็นไปเรื่อยๆแหละนั่นคือพวกอาทิตย์สานากากายละเอียดแต่ไม่ใช่ตาเนื้อเราเห็นนะเขาเรียกวตาที่สามยอมมีกันทุกท่านอยู่นี่ที่นั่งอยู่นี่มีตาที่สามมันทุกท่านแต่ชีเมฆมันมากน่อยนะมันเกลื่อบังไว้หนะ่อยมันยังไม่แจ้งความคิดนะี่แล้วมันคิดมากไปหน่อยความคิดเปรียบเหมือนขีเมฆ ท้องฟ้าถ้ามันมีขี้เมฆมากมันก็ไม่เห็นแสงอาทิตย์เจิดจ้าใช่ไหมถ้ามันปลอดเมฆมันก็เจิดจ้าอใจของเราก็เหมือนกันถ้ามันปลอดความรู้สึกนึกคิดเมื่อไหร่ที่บางคนที่หลวงพ่อบอกว่าเราปฏิบัติมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติแต่เรายังไม่รู้เวลาเราขับรถไปมันเป็นอัตโนมัติมันถึงจังหาะของเขาก็จะว่างเขาพขาว่างปุ๊บมันก็เห็นของแปลกๆก็ใช่น้ะน่ะมันเป็นได้ทั้งนั้นหรือบางท่านนั่งอยู่บ้านตัวเองก็ยังเคย ที่นั่งอยู่ก็ยังไม่มันมันเดินผ่านหลังแล้วนี่ยเหมืนคนเดินผ่านหน้าคลหลังอยู่เนี่ยมันเป็นไม่ได้น่ะโยมใจพวกคนนั้อัศจรรย์โยมเพราะฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติแล้วคนนั้นจะรู้อ น, นิสงส์ของธรรมะพระพุทธเจ้าเราจึงทิ้งธรรมะไม่ได้เราจึงรับธรรมะเคารพธรรมะพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเราก็ต้องทําเพราะมันมีอะไรในโลกจะให้เรามีความสุขได้ไมีแน่นอนรับรองล้าเปอร์เซ็น โยน อ, อยากได้เงินอยากได้เงินมีเงินเนยอะๆเรามีเยอะๆดูสดีไม่ดีไม่มอยากออกจากบ้านเลยนี่กลัวเขาจับเรียกค่าไทยทุกแล้วอืทุกแล้วบางทีมีเงินเยอะๆจิตมันแตกแล้วเลยทีนี้ผู้หญิงเคยรักผู้ชายผู้ชายเคยรักผู้หญิงมันชักจะไปแล้วเงนินพาไปแล้วทีนี้หลงตัวเองแล้วเนี่ยเที่ยวเตะไปเรื่อยแล้วทําลายตัวเองก็เยอะๆเรื่องอย่างนี้ อ่าพอไม่มีเงินแล้วก็มาหากันเหมือนเดิมมันนะฮะถ้ามีเงินแล้วจาจะแยกกันอยู่แล้วทีไรหลายบ้านเข้าบ้านไม่ถูกแล้วนี่คุณยอมถ้าใช้ไม่เป็นสมบัติมันก็เป็นพิษเป็นภัยตัวเองคนเราคนไหนถ้าเกิดมาเพื่อจะทำความชั่วพระพุทธเจ้าบอกเข้าเกิดมาฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองเพราะนั้นต้องรักษาจิตให้ดีทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องนะยอมนะ มีสติปัญญาไม่บกพร่องความเศร้หมองทางจิตของเราก็จะหมดไปเองอย่าลืมลว่าเราต้องทาหน้าที่ของเราให้ถูกต้องให้ดีรักษาจิตของเราให้ดีทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องหน้าที่ความเป็นมนุษย์ของเราทำอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดให้เรามีสินาแล้วก็บพภาวนาคือมีสติอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่อย่าให้บกพร่อง ความสมองทางจิตของเรามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำมาแล้วแล้วไปมันจะทาเคยทำชั่วช้าลาบกสบบกปรกอะไรก็อายุติกันคือว่าจบกันแล้วผ่านไปแล้วแต่ข้าพเจ้าจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเหมือนยมเอาน้ำขุ่นมาขังไว้ในแก้วถ้าคนฉลาดมันต้องจับแก้วเทก็ได้แต่สามารถทำให้น้ำใสได้ขมียปัญญาซะยา มันจะไปยากอะไรไม่ต้องเทน้ําคุณออกก็ได้ยมแต่เราเทาน้ําใส่ไล่น้ําคุณเทน้ําใสลงมากๆๆๆจนให้มันไล่น้ําคุณหมดแต่มันก็เหลือแต่น้ําใส่เหมือนที่ผ่านมาแล้วมันอาจจะคุณมัวเศร้าห ม, มองบ้างใจของเราทามันเถอะผ่านไปแล้วยมมาทําดีในปัจจุบันตื่ตนเช้ามาอาธิษฐานจิตเลยอืข้าพเจ้าขอขอบคุณขอบคุณคุณ ข้าพเจ้าขอเทดทูลบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณเทพบดเถรบดดาพอินพระพรมพระโยมพระกาทั้งตัวทั้งสีพระแม่เจ้าทรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าคิดไม่ได้ข้าพเจ้าขอเทดทูลบันเนือดวงจิตดวงใจเนื้อชีวิตของข้าพเจ้าเพราะเราถือว่าถ้าเราได้อาศัยความดีความดีไม่เคยพาเราตกต่ําพอดีที่สุดคือธรรมะพระพุทธเจ้า แล้วกลับมาแบบข้าพเจ้าขอขอบุญขอบคุณนะธาตุเศดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจเจ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าจะทาดีวันนี้พูดดีคิดดีวันนี้แล้วก็วันต่อต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะตายข้าพเจ้าจะขอสร้างความดีนี่ก็เหมือนเราเทน้ำใส่ไรน้าคุณ น้ำคุนคือกรรมไม่ดีที่เราทำไปนานมันก็หมดไปเหมือนองค์ุลิมานนะอยอมท่านไปนั่งอยู่ที่นีานนึกว่าได้ตัดนิ้วมือคนได้ค่าคนเยอะๆเยอะๆเยอะเท่ามะแฟนนี่มันมันพอรู้แหละที่มันตายมากกว่านั้นมีเยอะแล้วมากกว่าพันแล้วที่มันเริ่มผูกยังไม่ถึงพันเลอนิ้วเดียวนะ่จาจะฆ่าแม่ตัวเองนะเราก็รู้เรื่องนี้ อจนพุทธเจ้าโปรดโปรดแล้วก็มาบวชบวชแล้วก็ไปนั่งนึกถึงตัวเองทำทำชั่วเนี่คุณผู้ชมถ้าเราทําครั้งเดียวแต่นะึกถึงบ่อยๆเหมือนเราทําบ่อยๆนะถ้านึกถึงสิบครั้งเหมือนเราทําชั่วสิบครั้งทําดีมันกัดทําบุญมันนี่ยอายมมาทําบุญมันนี่ยถ้านึกถึงว่าออไม่วันนี้ไปทีโอทีนี่บุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะอบุญก็ได้เนี่ยมาฟังทำได้บุญใช่ไหม คนจะมาฟังทำก็ไสเต็มแล้วกินอาหารเนะยอะแยะเลยอาหารวันนี้ฮีเขาเรียกว่าบุญได้ไสเต็มไม่ขาดทุนคุณยอมนึกถึงบามันมีความสุขใจสุขใจเมื่อไรนั่นแหละเหมือนคุณยมได้ทําทุกครั้งในทําบุญทุกครั้งพระพุทธเจ้าจงให้แล้วนึกถึงความดีไว้ข้าพเจา้าทําทําดีพูดดีคิดดีเอเมื่อข้าพเจ้ามีชีวิตยอยู่ แล้วก็ทำตามนะตามที่เราตั้งใจไวนะ้นี่ว่าเทน้ำใสไล่น้ำขุนอดีตที่ผ่านมามันก็อาจจะขุนมัวเศร้ามองบ้างคนเราผิดศีลห้าบ้างอะไรต่ออะไรบ้างอะก็แล้วไปถือว่าไปแล้วก็แล้วไปพระพุทธเจ้าจึงอ่ะโอรุกองคุลิมานเอ๋ยเธอจงละคณะสัญญาคือละสัญญาเก่าที่ไดยเขาจําไว้ เมื่ององคุลิมานละได้เอาประจุมบรนณธรรมเป็นอารมณ์เลยได้เป็นพาคหันเพราะฉะนั้นเราก็ขยันหน่อยเรื่องนี้คุณผูชมขยันนึกถึงความสงบไปบ่อยเวลาทํางานไม่ใช่เราจะมานั่งหลับหูหลั บ, ล บ, ลบตาอยู่มันก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้คนทํางานมากๆคือคนมีสติปัญญาคนมีงานมากมาทำตรงบ้านคนมีสติปัญญาอย่างถ้าเราใช้เป็นนะเราก็จะได้นี่ ฝึกสติฝึกปัญญาเรามากขึ้นไม่ใช่ถูบ้านไปกระ บ, บนไปล้างทั่วยไปกระ บ, บนไปเนี่ยไม่ถูกนะนั้นน่ะถ้วยมันเลือบมันสะอาดแต่ใจคนล้างมันสกปรกมันก็ไม่สมดุลกันเราต้องคิดว่าเออเนี่ลูกเขาครัวแม่ไม่ได้บุญมากมั้งกินแล้วไม่ล้างมาแชรไปนี่แล้วไปล้างมันซะไม่ล้างให้รของเราพ่อแม่ก็ไม่ล้าง ครอบัวเราจะได้บุญน้อยแล้วก็ล้างท้ายหน้าที่ของเราแล้วทํามากงก็ได้มากอ่ะไปเคียงกันนะใครทํามากก็ได้มา ก, ก น, นะบุญมันก็อยู่ในบ้านแล้วไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าเรารู้จักเอาโยมเออเด็กๆบางทีนะมันเกภาษาเด็กนะมันขนของออกมาไม่เก็บไปไหว้มันลกรุงรังนรกเกศะไมได้บุญแล้วบางคนสี่เกียจขนาดนี้โยมหลวงพ่อยังเคยไปเจอนะหลวงพ่อไปตรวจห้องน้ํา แม่มันปล่อยไว้ไม่ห น, นี้เลยอยองเราอ๋อมันเอาบุญไว้ให้เราไปเจอกองบุญแล้วถ้ากดน้ําแค่นั้นจะไปยากอะไรถ้าบางคนไปนเอ๊ะไม่เอาแล้ว น, น, นี่อะไปล้างให้เขาทำไมว้าไปอีกนะต่อไปอีก น, นก็แค่กดลงนั้นก็หมดเรื่องแล้วก็ได้บุญนี่ยคนอื่นเขาไปเห็นก็บอกอ๋อนี่มันสะอาดใครก็อยากเา้ า, าน่ะแล้วก็ดูดีบุญเนี่ย มันเป็นทุกอย่างยอมถ้าคนรู้จักเอ า, ายอมอยู่ในเนี้ยที่งานตัวเองเนี้ยที่ทํางานนี่อย่าไปคิดว่าเอ๊ะงานมันเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มเยอะเหนื่อยอยากจะออกแล้วล่ะโอ้ว่านะบางคนนะเงินเดือนเหมือนเก่าบางคนก็ บ, บางเงินเดือนกันมากตัวเราจะมันเหนื่อยอมันเหนื่อยยอมเหนื่อยไม่ต้องชาติหนึ่งดีไหมยอมชาติหน้าไม่ต้องเหนื่อยมันเลยม่ต้องมาเกิดมันอีละ อ่ายอมเหนื่อยสักชาติหนึ่งนะอ่าตั้งใจให้ยอมเหนื่อยสักชาติหนึ่งอันนี้หลวงพ่อคิดบ่อยเรื่องนี้ยอมถ้าเวลากายมันเหนื่อยทำโน่นทำนี่เออมันเหนื่อยสักชาติหนึ่งนะต่อไปอย่ามากลับมาเหนื่อยอีกนะอําบอกตัวเองนะบอกตัวเองสอนตัวเองดีที่สุดของคนเราอย่าลืมสอนตัวเองอย่าไปสอนแค่คนอื่นนะหัดสอนตัวเองมากๆมันจะดีมากยอม สมมติว่าเราโมโหมันบู๊บวาบขึ้นมานี่คนไทยเราเวลาบูบา๊บวาคุณปากมันจะสัน่นจะโหมมันจะแดงหัวมันจะแดงนาคิ้วมันจะขยับทันทีละที่มันอยากจะตบทันทีหละนะสังเกตดูสิฮนะมันลามไปทั่วตัวเลยละทีแล้วก็ฮ่าไม่ดีนะอโกรธทางรัตรบาลสุขขั้งเสติใครค่าความโกรธได้คนนั้นจะมีความสุขนะฮะ แล้วก็โกรธมานานเลยโกรธมันทำไม่ล่ะอันนี้ลูกเราเนี่ยเหมือนกับทัศนตีเขาก็มตีตัวเองเลยลูกเราเส้นเนื้อเชื้อไข่ก็เป็นของเราให้มันไม่ใช่เหรอจะไปตีมันทำไมเราเอาชนะใจล่ะคผู้ชมแทนที่เรากําลังโมโหนะกับปอบเป็นโอ้ในะลูกนะอจะทําทอย่างนี้นะลูกนะนี่เขาอยากฝืนตัวเองฟืนไปฟืนมาเราเลยเป็นคนใจดีที่เคยร้านเสียนี่แหลปะปฏิบททัติธรรม เม่อไหร่ไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่วัดกลับมาบ้านเราก็ยังยักเหมือนเดิมเลยว้า ว, าวาาบางคนกลาเป็นงูเหา่าแล้วตื่นมาพ่นดินไม้ฟอ่ฟอกับคนอื่นยังไงว่าจะได้ประโยชน์อะไรนี่ทําในปัจจุบันทำำาําธรรมะเราจะเห็นอ๋ออารมณ์อะไรมาเกิดขึ้นอ๋อมันเกิดขึ้นมาแล้วให้รู้มันแต่คนต้องรู้ใจตัวเองดูใจตัวเองมันจึงจะรู้พอรู้แล้วก็ดับมันท่านคุณผู้ชมอย่าไปส่งเสริมมันอย่าไปให้อาหารมันไม่ว่าอะไรล่ะ ราคาโทรศัโมหามันจะเกิดขึ้นมานี่ยอยากไปร้องเพงลงคาราเ ก, ก๋เออไม่ไปแล้วเว้ยเหนื่อยนอนเอาแรงไปทำงานพวกนี้ดีกว่าเงินก็ไม่เสียแต่ถ้าเราว่าเอ้ยไม่ได้นะเราเคยสนุกมันต้องไปสนุกหน่อยนี น, น, นตามาแล้วฮะมันมีสองจิตมันจะถามกันอยู่สังเกต ด, ดูใจหนึ่งอยากไปเจ้าหนึ่งว่าไม่ไปนะถ้าตัวอยากไปมันมากแพ้สีนี่ตัวไม่อยากไปจ่แพ้มันแลย สังเจตดูห ล, หลายอย่างนะพี่โยมเนี่ได้หลายอย่างพราะเราโยมต้องห้ามเขาห้ามห้ามเขาดูจิตของเรามันรวมทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตใจพิสูุองค์หน่งมองเห็นทวินในพุทธเจ้ามากเลยคนไม่อยากบวชถ้ารักษาไม่ได้กลัวจะบาปเวลาสุด ก, กับพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ เทศให้ฟังว่าทางโลกมันเหมือนกับอยู่ตากแดดนะมันตากแดดมันรอ้อนมันอยู่ในกองไฟนะ้ํามันรอ้อนเพื่อจะศึกไปทําไมข้าพุทธเจ้ากลัวบาปพอทำมิในพุทธเจ้ามากกลัวรักษาไม่ได้พิสุเธอรู้จิตไหมรู้ว่าพุทธเจ้าข้าจอมรู้จิตไหมจิตเป็นตัวไงเห็นไหมตัวรับรู้อารมณ์คือจิตจำไว้นะ เดี๋ยวนี้ถ้าคุณยอมดูลมหายใจนั่นแหะจิตอยู่ลมอยู่ลมหายใจมันรู้อยู่ที่ลมหายใจแต่ยินเสียงว่าพวกพูดใช่ไหมจิตมันไม่วิ่งอยู่มาอยู่ที่หูเหราเพราะจิตเป็นผู้ได้ยินไม่ใช่หูแต่ภาษาพวกเราพูดหูได้ยินไม่ใช่คนหัวหวกเส้นประสาทมันตีบแล้วคุณยอมถ้าคนแก่เนี่ยได้ยินจะไม่ชัดจะต้เอียงไปนะ่ะ เส้นประสาทมันรีบลงประสาทมันวิ่งช้ามันไม่ชัดเจนเหมือนสายสายยางมันพับน่อยอยน้ำ ก, ก็วิ่งไม่สะดวกวิ่งแนิดเดียวเน่อย่างพวกเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างพวกเราเส้นประสาทหูล้วมันโปร่งยิ่งใครนินทานมันยิ่งฟังชัดเจนนะใครด่ามันกันมันจำแม่นด้วยซิ แต่ที่ได้ตอนพลาดเท็ดีทุกองค์แต่มันจําไม่ได้มันเสียท่าอยู่ตรงนี้นะอืมอยากฟังอยากฟังแต่มันจําไม่ได้ <c oughs> เออนั่นแหละดีไม <c oughs> ่ใช่ถ้าเพราะตัวคงคนเราไม่ได้องคศาโยมถ้าใครอยากตั้งสมาธิได้นานๆทายุบ้านแล้วนายโยมเย็บหมอนน้อยๆโ <c oughs> นนขึ้นมาสักหน่อยมันจะได้องศาสิ <c oughs> พอใบขนของเรามันจะถูกเจเอมันจะตรงแลพวพอกับทําประจําเรื่องเก่งสังขาสมัยปฏิบัติอยู่เอาสังขาอยู่มันพร้อมเนาะน้ําหนักสามสิบห้ากิโลมคนม้นเหมนะือนแหลมยนาะค้นกบเนาะเจฟยังสิดว่าเออเมื่อไรเราจะอ้วนเนาะไม่ต้องเอาผ้าสังขามาเรานั่งเนื้อเราดีกว่ามันคิดตะเลิดไปนะเออพ อ, อนี้จกหยุดทุ่ดงทีนี่ไปชั้นเจเฉินมังสาบิรัต พอดียอมแม่อยู่ที่กรุงเทพท่านเป็นคนจีนโอท่านแป้งวนเอาวนมาถึงแปดสิบสามกิโลตอนนี้ต้องลดเหรือว่อยู่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสกิโลพอลอะถ้าจะลดพวกนี้ก่อนเสื้อไดเนาะโยมเอาเนื้อขาหมูไม่ฉันเยอะแยะนี่ไหมเสื้อไดไม่เอาแล้ว่พ่อนี่พ่อนี่ไม่ใช่หรอกคุณจนถ้ามันเคยอยู่อย่างนี้ท่านลดลงมามันวิว ยาชุดจะห้าพันยศโยมอยากให้เราสุขภาพดีพอหลวงพ่อมาเอาได้แค่ชุดเดียวชุดที่สองเอาคืนเรามันไม่ให้ผอมอยังไงมันข้าวก็ไม่อยากนอนก็ไม่หลับพ อ, อยาไปตุ้นปศาศาระสาทแล้วมันก็ผอมที่คนเราความลงควมลงเออผอมน้ำมันวิวเลยพูดเหมือนคนป่วยไม่เอาอ่ากยกบกมาพูนมันจะเหลิอนะโยมนะทีนี้ก็บกมาพูดถึงพระองค์นี่ รู้พระพุทธเจา้าค่ะถ้ารู้แล้วให้เธอไปรู้จิตโทษของเธอนะรักษาจิตเธอให้ได้เจ็ดวันแล้วคนมาลาสุดเราตถาคนไม่ห้ามหรอกอ่าพอดูแต่จิตตัวเองดูแต่จิตตัวเองมันไปไปไหนดูไปดูมาให้เป็นพระลันพระลันท่างจะไปสึกทำไมนะจะเอาแบงพันใส่รถสิบล้อมาท่งนก็เห็นพิเศษกระดานตะ้น ถ้าเอาเบนเอาเยี่ยอจาัว่จากเกี้ยอะไรราคาเพิงแพงมาสักกา์เห็นไมนเสร็จเหล็กเท่านั้นท่านไม่ได้เห็นว่าจะเอาไปวดใถ่เพราะรหานไม่มีแล้วมีเออมิยมท่านหนึ่งเนี่ยสำนักปฏิบัติของเราเนี่ยรู้สึกดีนายจอมหลวงพ่อทำยังไงจึงจะละสกุาตทิฐิได้กถามอารมณ์พดาบันน้าใช่ธรรมดานะนี่ที่นี่ของเราเนี่เอาเรื่องที่มันเกิดนี้แนี่ยมาคุยให้ฟังอน่ะ หลวงพ่อว่าต้องมีสติต้องมีปัญญาอยู่ทุกเวลาจะไปเห็นแบาเป็นกายเราให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพูดอย่างนี้ยมจะหลับไนงะเพราะกิเลสไม่ค่อยชอบถ้าพูดเรื่องอื่นสนใจแต่อนิจจังทุกขังอนัตตานะี่ยท้องก็แย่เรือก็ใหญ่แล้วที่นี่นาะมันมีใครฟังนะทีมันเป็นอย่างนั้นกิเลสไหมเราก็ตุนอยู่เรือ่อย ที่คุณโยมก็ให้พิจารณากายของเราใหเย็นเป็นเพียงแต่ว่าศัก์แต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่าเป็นหญิงเห็นเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยถ้าเราไปแบ่งมองเป็นหญิงเป็นชายนี่คนร้อนโรกมันวุ่นวายเพราะมันเห็นเป็นหญิงเป็นชายแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งชู้กันพิษสวาสแย่งอํานาจกันของเพราะเพราะมันติดอยู่ในสมมติโยมลองไปนั่งดูก็ได้คืนนี้หญิงมันอยู่ตรงไหนชายมอยู่ที่ไหน ถ้าสีดีน้ำนมไฟวุ่นกันหมดใช่ั้ยมันก็มีมั่นกันหมดแต่มันสมมติถ้าสมม ต, ติบะมันวุ่นวายเห็นห ม, นะมน่ะผมนี่ถ้ามันเกิดอยู่นี่เรียกผมใช่ั้ยถ้าเกิดอยู่นี่เรียกอะไรนขนขนโอยน้อข น, ขนถ้าเกิดอยู่นี่แหะถ้าเกิดอยู่นี่แหละอาไม่ขนนี่นวดโอ๊ยน้อสมมติถ้าอยู่นี่เขาเรียกเข่าใช่ไหม เนะี่ยาที่เกิยงมันอันเดียวกันถ้าเอาขนเข้ามาปลูกไว้นี่ก็เป็นผมเนะี่ยเพราะมันธาตุดินอันเดียวกันนีถ่ถ้าจะพิจารณาละสัก ย, นะยัติทิฏนะพี่โยคนเรามันก็ติดอยู่นี่กายเนี่ยติดอยู่หนังแผ่นเดียวนะไม่เคยทิ้งมันเดินก็เยียบหนังไม่ใช่เหรอนั่งก็นั่งทับหนังไม่ใช่เหรอแค่เพราไรหนังหนังแต่แผ่นเดียวไม่เคยเบื่อมเลย แต่เสื้อสื้อผื่อ น, นี่ใสไปถึงสองปีแล้วกตกรุ่นมันจะเบื่อแล้วเพื่องเงินเบื่อนาโมแต่ไอ้หนังมันไม่เบื่อน่ะนั่งทำมันอยู่เนี่ยนี่พระหลวงปู่องค์นึ่งไปท่านไม่เอาอะนะเกราร โ, โมานาคาันตตะโชที่อุปชาให้ท่านเอาตัวเดียวเอาหนังดูหนังตัวเดียว ด, ด, ดูดูดูจนให้มันไม่ให้เป็นหนัง โอ้เดชสเร็จเป็ น, ปรนพระทหารเพอะดูหนังเพชรสุมุกี้ยอย่างวันจันทร์ที่ว่าไปดูจิตตัวเอวอย่างเดียวรักษาจิตยอย่างเดียวได้เป็นพระทหารพวกเรามันดูนิดเดียวบางทีวันหนึ่งยังไม่ได้ดูเลยเนาะไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยกิเลสมันอพยพินหมดแล้วท่าหนหาพาเพลินไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้ว แ, แล้วจะให้บรรลุทําได้ยังไงบางคนบอกอ๋อหลวงพ่อนั่งสา ม, มาธิมานี่ะ คือกว่าปีนะเอาสิบกว่าปีมาบวกลบปัญหาด้วยได้กีชั่วโมงได้กี่นาทีพอนั่งนิดหน่อยแม่สมอนก็เรียกแล้วถ้านั่งอยู่ใกล้หมอนเนะ้อแม่เล็กกโดดตึมล่ะแม่สมอนเนี่ระวังหนาะตัวการใหญ่นะนี่เพราะนั้นจึงให้ไปนั่งอยู่ใกล้ๆหน่อยอย่าไปนั่งพียงเสาเพียงเสาเนี่ยโอ้โหตัวการเลยหักคอลับมือเลยมือล็ก หลวพ่อโดนมาแล้วจึงมาเล่าให้ฟังพอทาทุกอย่างหรอกลองไปนอนตากยุงกพอจิตของเราเอาจริงจริงยุงไม่ขัดเชื่อไไปนอนอยู่ชาญเมืองคนอยู่โอ้โหหัวค่นี่ก็ยังหอมันมาแตบึ้งบึงบงเดินไปมันชนเอายุงนะ่ะหลวงพ่อเอาเอาดูมันสิตมันตายชาญเดียวดูนะนลงพ่อไปนอนตามราตไม่กลางมุ่งนะ ทางภาคใต้มันจะมีดินทรายกวาดทรายมาห น, น้าในหมอนจะเอาหมอนลูกใหญ่กวดมาเยอะๆเลยภาพน้ำปูอะนั่นแต่หมอนหลวงพอ่อกระภาพน้าเพิ่หนึ่งอนอนไม่ต้องไปติดเสือติดหมอนติดอะไรลวฝึกตัวเองเฉยๆหรอกพ้นสุดท้ายนคุณโยมก็เราก็เลยไม่ติดอะไรเท่าทุกวันนี้หลวงพ่อไม่เ ป, ป็นโรคปวหลังเพราะอรเพราะหลพ่อชอบนอนกระดาน ถ้าใครปวดหลังนอนกระดานหน้าโยมนะกระดานบ้าน น, ะนอนถ้าไม่มีแล้วก็ซื้อไม้อัดมาปูนอนไปถึงอาทิตย์คนโกปวดหลังนะให้ทนี่ระดับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนะเขาพิสูจน์มาแล้วหลวงพ่อก็ได้อบรมตัวนี้มาแล้วจริงฮนะเพราะนั้นถ้าใครปวดหลังให้นอนบนกระดาษบ่อยๆใครเป็นโรคไมเกรนจะนุ่นหมอน านูนตอกไม้มานูนเขาขายเยอะแยะวัดหลวงพ่อพระเจ้าชิยงนาลาเนี่ยไมาที่เขาทาเป็นนี่นะพญโยมสวมกันน่ะเอาเ น, นะนั้นน่ะนูนกิ่งไปกิ่งมามันนวดไม่เกินไหนทันทีล่ะหลวงพ่อไมเป็นโรคปวดหัวพรอชอบมลวงพ่อหมอนนุ่นหมอนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเธอจงมานูนหมอนไม้เถิดถ้าเธอนูนหมอนไม้ปะะมัญญามันจะตามเธอไม่ทันเหมือนเราเรียนหนังสือแล้วกลัวกลัวไม่ได้เอามาเเพ้วมาหนุน พาพางกรมนะ่ะพริบแป๊บก็โดนตุ๊บเราตื่นดูหนังสือโน่นนะ่ยยอมทุกขนาดนั้นนะมันจึงได้ไม่ใช่บวชมาโอ้ยนอนวัดนอนวัดไปวัดแต่เสือวัดแต่หมอนมันยาวกี่นิ้วฮะแต่นี่ไม่ใช่มันวัดเจ็ดวัดใจตัวเองเองขนาดนั้นทุกสิ่งอย่างต้องลงทุนก่อนลงทุนทุกก่อนเราจึงจะได้สุข้ายอมไปติดสุข บั้นปลาชีวิตคนโยมจะเป็นทุกข์ถ้าเกิดูนะเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าชาลาปิดทุกข์ขาตนแก่มาทุกข์ถ้าพวกปฏิบัติโอ้จะแก่ก็ช่างไปะไรฉันไม่ีแก่กับเธือนร่างกายจะแก่จะเท่าจะเน่าก็ลงเรื่องเธอฉันไม่ยุ่งกับเธอแน่อยู่ด้วยกันจะรักกันไม่ได้เี่ถ้ารักสักระยที่เีได้นะอยู่ด้วยกันจะรักกันไม่ได้เพราะเธอก็ให้ความรักฉันไม่ได้ ถ้าเธอรักฉันจริงจริงเธอจะแก่หรือเพราะฉันไม่ชอบใช่ไหมถ้ามันรักเรามันก็ไม่แก่เนาะฟันทาไมรักเราเราก็ไม่ถอนนะเยอะบางคนเนี่ยนะฟันสงนคนสามขาตา2ชั้นนั่นเนเห็นไหมคนสาขาเมื่อกี้น้องพ่อนั่งอยู่เห็นเดินไปเดินมาใย่าขาเนี่ยพ <c oughs> <c oughs> ันนเนี่ย ที่ยิ้มบ อ, อกก็ข่าวบางทีอาจจะของความก็ได้เขาจริงไปแล้วเนี่ยพันสองหนคุณสามขาตาสองชั้นนี่เนี่ยตาสองชัน้นนั่นีน้องพ่อก็เหมือนกันหมาว่าแต่เขาอีนองปิเองนะน้องพ่อกับสองชั้นเหมือนกัน เ, นเนะนพราะเหตจจาเป็นที่ให้ต้องทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้ก็ลําบากที่เราไปผ่าตามเอาอะไรมือแขนแข็งแย่ทันี้ตาหางตาแล้วถ้าไมใส่อย่างนี้ตายีนะถูกแดด ก, ก็ไม่ได้ อ่มามันก็เป็นอย่า ง, งนะั้นนะที่เรายไม่ใช่ชังใส่พวกสวยพ่องามอะไรหรอกอ่าที่นี่ก็โยมเราบอกมาพูดถึงเรื่องนี้ให้โยมใช้ปัญญามากๆใชส้สติใช้ปัญญามากๆขณะใดเรามีสติขณะนั้นเราได้ปฏิบัติทำใน้โยมได้เวลาโยมทมาําอาหารถ้ามันจะเฮ้ยคนนั้นก็ไม่ช่วยคนที่มันช่วยไม่สองพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ถ, ถ้าคุณโยมแกงมีพุทโธโยมแกงพุทโธมาให้บ้านเรากิน ให้ครอบคัว ก, กินถ้ายอมพระเพรากับพุโทโธเอ้ยไอ้เหี้ยทั้งนั้นแต่พวกนี้มันไม่มาช่วยแล้วเลยกะแกงเหี้ยเขากินอะไรดีดีไหมะแกงไปสงผ้าอีกผ้าเขาไม่ไ้เป็นเหี้ยเพราะอทําไงได้นะโยมตกแกงกับพุโทโธแกงกับสติปัญญาเราโยมตกคิดว่าโยมทํามากโยมได้บุญมากเราจะทําให้เขากินชาตินื้ชาตินามิทุกคนทําให้เรากิน คุณไบางคนนี่คุณก็จะ ต, ตื่นขึ้นมาเออต้องจะเกิดมาเพื่อไม่ได้ทขวดเชื่อพระวงค์เลยทำที่ไหนมีแต่คนเอาไปทูนถวายท่านั้นใช่ไหมล่ะมาเนะี่ยบุญของท่านเห็นชัดเจนไหมไปถึงขนาดนั้นดิคนร่ำคนรวยได้ทําที่ไหนไมิแต่แม่บ้านก็ทนะํานี่ยลูกเกิดมานะ่ะแทบจะไม่ได้เดินเยไปเราอารถเบ้นไปส่งเอะรถเว้นน้นําตัดเนี่ยพวกอย่างนะั้นคือบุญของเราได้ทําไว้ พราะเรต้องรักษาจิตให้มันดีบุญยิงจะเกิดบุญเมืเ่อคนที่จิตใจเรานะคุณโยมมีความสุขเมื่อไรนั่นแหละโบุญเกิดขึ้นแล้วโยมมีความเย็นใจเมื่อไรนั่นแหละใจเย็นเป็นบุญนะถ้าใจร้อนเมื่อไรโอ้บาปมาเรืเ่อยนั่นแหละทุกบาปยิงเป็นหนาหิ้วเคี่วก็หมดท่าปากดแดงๆแล้ไม่ใช่บาปธรรมดาวิยักบาปเลยนี่เฮียเคี่ยวเฮียฟันนองโอ้อันตรายแต่ละ มันไม่ใช่สวยงามดอกความโกรธเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชัดหน้าคุณต้องบอกว่าคนไหนนี่คุณยมถ้าขี้โกรธตากับความโกรธคนนั้นโอกคี้เลี้ยวข่ห์มากอันตรายมากนะ่ายอมเจีนก็ได้เวลาโยมจะไปทํางานนะควยละอันเสียงละอันพันละน้อยมาพราอยากให้โยมได้สติได้ปัญญาไปเตือนใจตัวเอง ให้คุณยมคิดว่าขณะใดคุณโยมทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่เรามีสติอยู่กับตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกทุกคิดทุกรู้นั่นแหละโยมได้ปฏิบัติไม่จอดไปนั่งหลังดนนั้งรออยู่ที่วัดหลอกเออเนี่ยก็จะบากบุญอันหนึ่งหย่วันที่สามสิบเอ็ดขาจะสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็จะมีการสวดเสดอเดาข้อบูชาสืบชาติหลวง พอจะอาพระมาจากทางพระมามาสวดสว ด, ดที่ของหกเราะเขาจะมีอะไรหลายๆอย่างมาหยอกโฆดชนะให้ฟังเท่าไหร่ถ้าคนยมท่านใดมีเวลาแว บ, บไปหน่อยปีหนึ่งให้เราได้สักทำข้างสองข้า ง, งย่างดีตัวเสนีย์จันไรไม่แน่นอนเหมือนบ้านราวันลมพัดลมเพมันเข้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้าใจของเราตกเมื่อไหร่เข้ามาได้นะเพราะดํากับขาวมันเป็นของคู่กัน ขางพุทธการแบบนี้พีเข้าพิกษุสวดปฏิโมกข์ไม่ต้องจบก็ได้ไม่เป็นอาบัติเนี่ยก็แสดงมันมีแตนนุนมาเลยผีเข้าพิกสนะุพิกสุกินเนื้อด็บไม่เป็นอาบัติท่ากินไปเพื่อไล่ผีออกเออก็แสดงมันมีแต่นั่นนุนมานน่นอะไรก็จบบางสิง่งบางอย่างจบเอาลองไปบุญของเราทำนี่แหละจบ เขาเรียเทน้ำใสไล่น้ำคุณหลังทีกา่าถ้าใครอ่านหนังสือเก่งๆไปสมัครอ่านพระไตรปิฎก้องพ่อให้อ่านกันเปียนคนละกันลกันโอ้โหอ่านกันังคืนเสียงไม่ช่เสียงผู้ชมแหละเหมือนเทวดาวไม่เข้าช่วยเสียงเลยเสียงกลงวันนะคุณผู้ชมลองลอ ง, ลองดูไม่ชายุนะถ้าไปก็ดี <c oughs> แต่คุณผูมอันนี้เกาะเอีกอันนึงเนาะ ขอภัยตอนนี้เราจะรอพระประมาณเก้าสิบร้อยเก้าเม็ดนิ้วฮะร้อยเก้าี่ยใหญ่เป็นพระประธานในสลากลางน้ําของเราคุณโยมได้ใช้แล้วนะสลากลางน้ําชั้นแรงเลยใช้แล้วนี่ไปทำกันกลางน้ําเลยนี่โยมไปช่วยตั้งแต่หลวงพ่อไปอยู่มาที่นี่ตอนนี้เราได้ใช้กลางน้ําแล้วนี่ทําบุญนี่เราจะไปทําบุญกลางน้ากันเลยโยม นานๆทีนะได้ไปอยู่ชลากางน้ำ น, ะนั่งดีๆก็ยินเสียงปา่านอะมันโผล่หายใจ บ, บึบบัมปึมปัมก็เข้าท่าดีาาก็ตายยุงคนไม่กัดด้วเมื่อคืนนี้หลวงพ่อลองดูไปสวดมนต์ที่นู้น น, ะนั่งสมาธิเลยไม่ไม่กัดไม่ใช่ไหนไม่รู้อืมที่นี่ก็เขาจะมีพิธีกรรมหลายอย่างเยอะผมมาอยากเล่าให้ฟังเนาะมันเยอะอยากให้โยมลงไปดูที่นี่เขากําลังเรียอะไรเสือคันอยู่ตอนนี้ เอาเสือไปปูในสลาพื้นละ410บาทบางคนใจถึงก็เอาสักสิบพื้นมันก็มีหรอเนี่ยได้ได้พื้นอ่ะได้ได้พื้นแต่ ว, แ ว, ว่าอยากจะได้สักร้อยพื้นนยของสามใหญ่ให้ยอมไปได้นั่งสบายถวายเสือนะยอมเกิดมาทุกภพกชาติยอมจะมีรูปสวยสวดทรงอดงานคนเห็นคนรักเทวดาเห็นก็เทวดาลัก มีปัญญาอันโลิด้วยแค่มีเครื่องนุ่งคมสดสวยมดงานแต่นั้นะไม่ใช่เอามาหลอกโยมงานะมาล่อไงเยอะมันก็ได้ทั้งนั้นทําบุญได้ทุกอย่างแต่จะลืมอยากให้โ ย, ยมช่วยกันไม่ทําตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกโยมหักเงินเดือนไว้เดือนละร้อยละร้อยละร้อยก็ได้ปีหน้าเราจริงจะหลอกไงนะไม่ใช่รอกวันนี้เอาเราฉลาดทําบุญไงโยม เราหล่อพระพุทธเจ้าของเรายกให้คนกราบไหว้สักราระพุชาบางปร ะ, ะเทศสนาด้วยนะโยมจะไปเห็นสลาหลวงพ่อทำไม่เหมือนคนอื่นรเพราะเราไปเอาเป็นมาจากต่างประเทศเอามาจากสิงคโปร์จริงและสถาปนิกที่แกใ่ในเรานี่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทย 2,157 ได้รางวัลอันดับหนึ่ ง, ง 2,218 ได้อันดับ นึ่งในะอินเทียรลไม่ใช่ธรรมดาลแล้วจบมาจากอเมริกาแล้วแกน่าจะสวยอยู่คนอันนี้ถ้าหามีเวลาผมขอเชิญคุณโยมไปแล้วคุณโยมจะไปถวายเนตก็ได้คืนนั้นแล้วก็นอนมาจนหลังเบน น, นั่นเองแล้วถวายเนตรสักคืนหนึ่งไม่ดีหรอสมัครอ่านพระไตรปิฎกเก็จะใดญบุญ น, นะ โยมวันนี้เนาะเรื่องคุยกันก็เยอะแต่เวลามันหมดไปซะแล้วก็คือขออานยวยวยพรให้คุณโยมทุกท่านที่ในมาวันนี้นะคุณโยมฮะขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกพ้นสุขพนโรคพนภัยพ้นเจ็บปัดพ้นวัฏสงสารทั้งหลายทั้งปวงโยมบับเพืธอทำปฏิบัติ ท, ทำไม้ได้มักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพระจะถึงในปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกๆุกท่านเธอเจริญ